m mm -hmm. ที่พูธานมีโยคีท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือนะแล้วก็เคารพรักนะของคนทิเบตอย่างกว้างอ่าคนพูธานอย่างกว้างขวางโยคีท่านนี้ที่จริงท่านเป็นชาวทิเบตนะเกิดเมื่อประมาณสักห0ปีที่แล้ว เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนะมีอำนาจมีบา ร, รมีในภยหลังก็ท่านก็ได้บวชพระบวชพระแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่วัดมีชื่อร่ำรวยด้วยแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ละทิ้งวันนั้นแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพิขาจารย์แบบโยคียนะ เพราะว่าท่านไม่ชอบลาบสักการะแล้วก็ไม่ชอบกฎระเบียบที่มันรุงรังนะมันกลายเป็นกระพี้กนะ็หันมาบำเพ็ญตนเป็นโยคีแตนะ่ท่านมีนิสัยแผลงๆนะทำอะไรแปลกๆอารมณ์ขันก็เยอะแล้วก็หลายครั้งก็มาจะทำในสิ่งที่มันขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี เรียกว่ายิ่งกว่าเซนอีกนะแต่ว่าท่านก็ทำได้เพราะว่าเป็นโยคียนะจาริกไปเรื่อยวันหนึ่งก็ไปจาริกในในผ่านใกล้ๆ ก, กับชาญเมืองเมืองหนึ่งนะท่านเห็นมีมีถ้ำนะก็จะไปพักในถ้ำชาวบา้านละบ้านั้นก็บอกว่าเตือนว่า ต้องระวังนะเพราะมันมีโจรโจรที่ดุร้ายแล้วก็ชอบปล้นปล้นทรัพย์ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาท่านดูกริท่านนี้เนี่ยชื่อลุก ป, ปะคุณเลก็บอกว่าไม่เป็นไรนะขอให้มีที่นอนก็นแล้วกันแต่ในใจเนี่ยท่านคิดจะจะสั่งสอนให้บทเรียนนะแก่โจร แล้วท่านก็ออกอุบายนะท่านตั้งใจว่าเนี่ยจะให้โจรคนเนี้ยกินขี้ให้ได้นะคนธรรมดาเขาก็ไม่กินขี้กันนะแต่ทํายังไงถึงจะให้โจรกินขี้เนะี่ยอ่าตกค่ำนี่ท่านก็นะเข้านอนแต่ก่อนจะนอนนี่ก็เอาถุงใส่เงินอนะ่ะทีจริงเงินก็ท่านก็มีไม่มากนะเอาเหรียญออกแล้วก็ ถ่ายอุจจาลงไปแล้วก็ปิดถุงอย่างดีนะแล้วก็วางไว้ข้างตัวพอตกดึกเนี่ยโจรมันก็เข้ามามันรู้อนะเพราะว่าถ้านี้ก็มีคนผ่านมาสัญจรอยู่บ่อยๆแสงสว่างก็ลอดเข้ามาในถ้าพอที่จะเห็นอะไรอยู่บ้างโจรมันก็เห็นถุงเงินนะก็คว้า คว้าเสร็จก็เปิดถุงเลยนะแล้วก็เอามือล้วงพอเอามือล้วงก็ลุกข้างในเป็นอะไรเนี่ยก็ตกใจนะพอตกใจเนี่ยแล้เห็นว่าในมือเนี่ยผมมีขี้ติดเต็มเลยก็พยายามสบัดนะมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัตินะพอรู้ว่ามือนี่มันติดขี้อยู่เนี่ก็สบัดสบัดอย่างแรงมือนิ้วก็ไปถูกก้อนหินนะบนพื้น ก็เจ็บสิพอเจ็บแล้วทำไงก็ต้องเอามาดูดนะเพื่อให้หายหายเจ็บนะพอเอานิ้ว จ, จิ้มเข้าไปในปากแล้วก็ดูดเข้าไปเนี่ยก็หายเจ็บเลยนะพอรู้ว่ากินอะไรเข้าไปอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เผ็ดของท่านลุกปะนะคุณเลยนี่ทารึงนี้ก็สอนเห็นว่าคนเรานี่ถักว่าตกใจลืมตัวนะ มันก็สามารถจะทำอะไรได้ทั้งนั้นนะ่ะแม้กระทั่งกินขี้ของคนอื่นนะจนมาลืมตัวนะพอรู้ว่ามือเนี่ยนะมีขี้ติดเนี่ยตกใจแล้วก็รังเกยีออยจขยะขยะแขยงปฏิกิริยาที่ทําก็คือนะสะบัดนะพอโดนเห็นมันเจ็บไงพอเจ็บก็ไม่รู้ละนะอ่าดูดนิ้วไว้ก่อนนะเพื่อจะได้หายเจ็บ ทั้มด น, นี้เกิดขึ้นเพราะความลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วเนี่ยก็รู้อยู่นะว่ามือเนี่ยมันเปื้อนขี้นะแต่พอลืมตัวเพราะความเจ็บก็ดีหรือเพราะอะไรก็ดีเนี่ยนะมันก็สามารถจะเอามือเอานิ้วเนี่ยใส่เข้าไปในปากไดนะ้ความลืมตัวเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใครเนี่ยอะไรอะไรก็ทําได้นะแม้ตั้งใจว่าจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ แต่ถ้าลืมตัวแล้วก็จะทำสิ่งตรงข้ามก็ได้อย่างแม่ค้าธรรมชาติของแม่ค้าเนี่ยก็ต้องพยายามขายของให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเกิดต่อตั้งราคาไวร้อยหนึ่งต่อยี่สิบเนี่ยนะแม่ค้าบางคนก็ไม่พอใจนะพอไม่พอใจก็เป็นไงก็ไล่ลูกค้าให้ไปซื้อของที่อื่น อันนี้ก็ทําด้วยความเหลือมตัวนะเพราะธรรมชาติของแม่ค้าก็ต้องพยายามชักชวนให้ลูกค้าเนี่ยนะซื้อของตัวให้ได้ถ้ามีสติดีเนี่ยเขาต่อยิ้มสิก็พยายามก็พยายามที่จะต่อให้ราคาที่ต่อรองกันนะเพื่อเห้าซื้อสินค้าของเราให้ได้อันนี้ก็เป็นวิสัยของแม่ค้าหรือพ่อค้าก็ตามแต่พอโกรธแล้วเนี่ยนะเพราะว่าลูกค้า ต่อสินค้าแบบสบั้นทันแลบนั่นเนี่ยถ้าไม่มีสตินะลืมตัวเพราะความโกรธนะก็ทำให้เสียลูกค้าไปแล้วก็จะไม่ใช่แค่เสียคนเดียวก็จะเสียอีกหลายคนสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าแม่ค้ามีสติดีก็รู้ว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าไล่เข้าไปเลยเนะแต่ทำไมถึงทำเพราะลืมตัวไง บางคนเราเมื่อลืมตัวแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ตั้งใจจะทำเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ทำแล้วกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกันได้แต่ว่าความเสียหายอย่างนี้ก็ยังถือว่าน้อยนะบางคนก็เสียหายหนักนะรักใครนะแล้วถ้าเขาไม่เป็นไปอย่างที่รักเนะี่ยก็ จ, จะเกิดความไม่พอใจอาจจะเกิดความโกรธนะรักลูกลูกเถียง นะลูกเถียงพ่อลูกเถียงแม่บางทีพ่อหรือแม่ก็หักห้ามใจไม่ได้นะเพราะยิ่งคาดหวังเขามากเท่าไหร่แล้วเขาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เสียใจความเสียใจพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วความโกรธความเกลียดมันก็เข้ามาเล่นงานบางทีก็อาจจะทําร้ายเขาตบเขาตีเขานะให้ด่าเขายังยังไม่เท่าไหร่นะที่ทําร้ายเขาเนี่ย ด้วยกําลังบางทีเึีกับใช้ใช้ปืนยิงก็มีนะเคยมีนักจัดรายการวิทยุคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีชื่อมากเมื่อสักสามสิบสีสิปีที่แล้วเนี่ยเขก็ชอบอา่านหนังสือทางวิทยุนะประสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้อกจะไม่ค่อยจะมีโอกาสอา่านหนังสือเท่าไหร่หนังสือพวกวรรณคดีเช่นสาม ก, ก๊ก หรือบางทีหนังสือธรรมะตอนหลังแกก็มาอ่านหนังสือธรรมะอ่านทางวิทยุกระจายเสียงเสียงตามสายเงี้ยทุคนก็ติดกันทั้งประเทศนะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยตอนหลังพอแกตัวก็ก็กเกษียณนะแล้วก็มาอยู่กับลูกนะที่จริงพูดก็ไม่ถูกนะลูกมาอยู่กับตัวเองมากกว่าเพราะว่าตัวเองนี่พอมีฐานนะก็มีบ้าน ร่มาอยู่ในบ้านที่มีอนาบริเวณต่อมาตัวเองก็ก็คิดว่าอายุมากแล้วก็ก็เลยแบ่งมรดกนะให้ลูกลูกสาวลูกชายแบ่งมรดกแม้กระทั่งที่นะจนกระทั่งเหลือเงินของตัวเองนี่ไม่มากเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งตัวเองก็ป่วยป่วยเป็นมะเร็ง แล้วมะเร็งเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้เงินในการรักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ารักษามาหลายปีตอนหลังเงินที่ตัวเองมีก็หมดก็ไม่เชิงหมดน้ะแต่ว่าต้องเก็บไปบ้างก็เลยขอขอเงินลูกไอ้เงินลูกก็คือเงินที่ตัวเองนะโอนให้นะเป็นมรดกนั่นเองถึงแรกลูกก็ให้ดีนะตอนหลังลูกก็เริ่มจะอิดออดไม่ค่อยให้ จะโกรธมากเลยนะทั้งน้อยเนื้อต่ำใจทั้งโกรธแล้วก็คงมีการทะลเลาะบอกแวงกันแล้ะทามีท่าไหนไม่รู้นะแกก็โกรธแกเป็นคนปกติแกเป็นคนที่มีมีโทส่อยู่แล้วอาตมาเคยเจอสมัยเป็นคารวาสแกเป็นคนที่มีอ่าเป็นโทสัตจริตนะนะแล้วพอเกิดเกิดเหตุแบบนี้ลูกสาวเนี่ยลูกสาวแท้แท้เอาเงินของตัวเองไปเป็นมรดกแล้วไม่ยอมจ่ายไม่ยอม แบ่งปันให้พ่อเนี่ยเอาไปรักษาโรคผิดหวังมากแค้นมากทำยงไนสุดท้ายก็ยิงลูกตายพอรู้ตัวว่าทำอะไรนะคนเราเนี่ยพอโกรธแล้วมันทำอย่างที่โกรธนะความกรธมนก็จะจางคายตอนนั้นแหละที่ความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นหลายคนรู้สึกตัวเมื่อทำตามความโกรธไปแล้วหรือว่าทำตามหน้าของความโกรธไปจนสุด เรียกว่าสุดสายนะเรียกว่าหมดแม็กนะนะทำตามความกดจนหมดแม็กแล้วเนี่ยมันถึงค่อยรู้สึกตัวเพระรู้สึกตัววพอะรู้ตัวว่าทำอะไรไปเนี่ยแกเสียใจมาก เ, เป็นคนธรรมะธรรมโมนะภาคนะภาครายการสารคดีธรรมะเสร็จแล้วมาเป็นอย่างนี้สุดท้ายแกก็ยิงตัวตาย ก็เป็นข่าวอยู่พักใหญ่นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคนก็สงสัยว่าคนที่ธรรมะธรโ ม, รมภาครายการสา ร, รคดีธรรมะนะเป็นพิ ธ, ธรรกีกรก็หลายงานก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นทําไมถึงมาลงเอ่ยแบบนี้มันผิดวิสัยนะแต่มันก็ที่บายได้นะเพราะคนเราเนี่ยเมื่อเมื่อลอมตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้น นั้นความลืมตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะแล้วคนเราจะลืมตัวมันก็เพราะหลายสายเหตุนะมันเริ่มต้นจากการการคิดนะความคิดเนี่ยที่เรียกว่าเป็นลักคิด น, นะมันเผลอคิดมันไม่ตั้งใจคิดนะแล้วก็พอคิดไปก็ไอตอนที่เราคิดเนี่ยเราจมเข้าไปอยู่ในความคิด ก็ไปยอยู่ในร่อแห่งความคิดตอนนั้นแหละที่เราลืมตัวแล้ะแต่ทั้งไม่ถึงจะรู้สึกตัวได้นะตรงนี้แหละสติมันมีบทบาทมากเลยเพราะสติมันจะทำให้เรารู้ทําให้เรารู้ตัวว่าเผลอไปทําให้เรารู้ทันความคิดนะสตินมิมที่ทำหน้าที่ดึงจิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะและธรรมชาติของจิต น, นะพอ พอมันมีสติรู้ตัวนะไอความคิดหรืออารมณ์ต่างมันก็หดหายไปนะมาหลุดไปเลยอย่างสมมติตอนนี้เนี่ยขณะที่ตะมาบรรยายอยู่เนี่ยอาจจะมีบางคนปล่อยใจลอยนะคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงงานคิดไปแล้วก็พัวพันติดพันมางทีก็ต่อเนื่องเป็นสายคิดจากเรื่องนั้นต่อไปเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องนน้นอีกทีนะกาลังคิดอย่างเมาเมาหรือคิดอย่างจมหลงอยู่ในภาวะอารมณ์นั้นเนี่ย จู่ๆเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี้ยในศาลาเนี่ยนะจิตมันกลับมาเลยนะจิตมันรู้ตัวทันทีเหมือนกับว่าเสียงโทรศัพท์มันเตือนให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่ที่หอไตรตรงนั้นแหละที่มันสตินะมันันมันทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือไอความคิดที่เราคิดเป็นวักเป็นเวนี้นะมันหลุดไปเลยนะมันหลุดทันทีเลยเหมือนกับว่าสาสะบัดมันทิ้ง เนะพรจิตเ น, นี่ยกลับมาอยู่กันเดีวยวกับตัวแล้วตอนนั้นจิตมารู้สึกตัวแล้วแต่พอรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโทรศัพท์ดังนะเป็นความบังเอิญเดี๋ยวจะพักไปกันแล้วนะแต่ที่อยากจพูดคือว่าพอคนเราเนี่ยมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยไอความคิดต่างๆที่มันชักพาจิตใจไปตเตลอเปิดเปิงไปเนี่ยนะมันจะมันจะหลุดหายไปวมนั่งอารมณ์ด้วยกำลังกดกรอดอยู่เนี่ยนะเดี๋ยําลังเศร้าๆอยู่เนี่ยนะ พอมีเสียงโทรศัพท์ดังในศาลาในหอายเนี้มันกลับมาเลยมันได้สตินะหรือว่าบางทีอาตมาพูดเสียงดังๆเข้าไปอ้าวมันผิดไปจากโทนที่เมื่อสักครีปพูดเนี่ยนะก็ได้สติขึ้นมาให้ความคิดอะไรที่ปรุงแต่งไปสารพัดยืดยามก็หายไปทันทีไม่ต้องไปกดคมมันไม่ต้องไปห้ามมันนะแต่ว่ามันหลุดของมันเองเมื่อเรามีสตินะ เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวนี่มันเป็นมันเป็นเกลอือกันนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันภาษาบาลีเขาใช้สัมปชัญญะอย่างที่เราสอนเมื่สักครู่เนี่ยสัมปชาโนเนี่ยสัมปชาโนสติมาเนี่ยสติมาคือสติเนี่ยสัมปชาโนคือสัมปชัญญะความรู้ตัวเราจะรู้ตัวได้ก็เพราะจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวได้เพราะว่าจิตมันไม่หลงลอยไปที่ไหนหรือว่าหลงลอยไปแล้วเนี่ย มีสติรู้ทันนะสติรู้ทันเห็นความคิดสติมันก็จะดึงจิตกลับมาอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าสติ ม, มันเป็นตัวผูกจิตไว้กับอารมณ์นะกำลังฟังคำบรรยายอยู่นะถ้าเรามีสติคือว่าเรามีจิตติดจ่ออยู่กับเสียงบรรยายนะฟังคำบรรยายตามไปเรื่อยๆที่เราฟังคำบรรยายได้อย่างต่อเ น, นื่องเพราะว่ามีสติ ผูกจิตไว้กับเสียงนะที่มันมากระทบหูแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหลนะไปเลยนะจิตไปไหนไม่รู้เสียงมันกระทบหูก็จริงแต่ว่าใจไม่ไปรับรู้ด้วยใจไม่รับรู้ก็เรียกว่าไม่มีวิญญาณนะไม่มีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นเรื่องของคําบรรยายเพราะฉะ น, นั้นจิตมันเข้าไปในความคิดแนละ้วและตอนเราเข้าไปในความคิดนั่นแหละนะเราก็จะลืมตัว เราจะไม่รู้สึกตัวรวมทั้งไม่รู้สึกว่ากายทําอะไรเช่นกําลังยกมือแต่ใจลอยเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยขณะที่ยกมือหรือเดินจงกรมเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามือยกเท้าขยับเนี่ยมันจะหายไปนะมาจจะหายไปเป็นพักๆหรือหายหายไปเป็นช่วงยาวเลยเพราะตอนนั้นใจมันไม่ได้อยู่เกี่มเนื้อกับตัวแล้วใจมันเข้าไปในอดีตมั่งหลงไปในอนาคตบ้าง แล้วคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความจําดีแค่ไหนนะแต่ว่าก็อาจจะเผลอตัวบ่อยนะที่จริงสติมันแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้เนี่ยมันระลึกได้สองแบบนะอันที่หนึ่งก็คือระลึกได้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่นอกตัวเราเช่นนะเราจําได้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนถนนอะไรซอยอะไรนะ เราจำได้ว่ากุฏิเราเนี่ยเบอร์อะไรนะอยู่ตรงไหนเราจำได้ว่าเราวางเท้าเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนนะบนชั้นหรือว่าตรงหน้าหอไตรนะเราจำได้ว่าเราเอาเงินนะกุญแจรถไว้ตรงไหนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอันนี้พอจะใช้เนี่ยพ อ, พอจะใช้กระเป๋าพอจะใช้กุญแจเนี่ย นึกขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าสตินะสติมันทำให้เราเราลึกขึ้นมาได้ว่าออกระเป๋าเงินอยู่ตรงนี้หรือว่ากุญแจอยู่ตรงนั้นหรือว่ารองเท้าถอดไ้ตรงโน้นนี่คือสติแต่ว่าสติอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นสติที่ทำให้เราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เรื่องนอกตัวแต่เป็นเรื่องตัวเองนะตรงนี้เนี่ยสติ สติแบบนี้เนี่ยคนที่มีความจำดีคนที่มีความจำเก่งจำเบอร์โทรศัพท์จำวันเกิดเพื่อนได้นะเป็นเป็นสิบเป็นร้อยคนแต่พอเป็นสติที่ลืกลึกได้เกี่ยวกับตัวเองนะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะใจลอยนะลอยไปอนะ่ยืดยาวกว่าจะรู้ตัวนะ สติที่มันเป็นความระลึกได้นะเรื่องนอกตัวเนี่ยส่วนนึงมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองนะคนแก่เนี่ย่อคนแก่อายุมากๆเนี่ยจำอะไรจะไม่ค่อยได้แนละ้วเราเรียกว่าหลงลงลืมลืมนะไม่ใช่แค่จำเรื่องราวที่ยากๆนะบางทีไอ้เรื่อ ง, าานะางราวที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยจำไม่ได้แนละ้ว มีคุณยายคนนึ่งนะเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหลานนะหลานก็โตแล้วเป็นวัยรุ่นนานๆมาเยี่ยมทีก็ชวนหลานเนี่ยไปไปกินอาหารนะร้านหรูร้านดังนะหลานก็สองคนก็ไปพอกินอาหารสักพักเนี่ยก็คุยกันตามภาษาญาหลานสักพักก็ถามญาก็ถามหลานว่า ตอนนี้มีเงินใช้เงินพอใช้ไหมหลานบอกมีพอครับนะแต่ว่าญาญาเนี่ยก็ยังห่วงหลานนะก็ถึงแม้หลานบอกมีเงินพอใช้ก็ยังอยากจะช่วยหลานควักเงินมาสองหมื่นบาทนะให้หลานนะคนละหมื่นสองคนหลานก็ดีใจนะเสร็จแล้วคุยกันต่อไม่ถึงห้าทีหลานก็ ย่าก็ถามอีกมีเงินพอใช้ไหมพอครับนะเสร็จแล้วก็ย่าก็จะควักเงินมาให้แม่ทันจะควักนะหลานก็บอกว่าย่าเพิ่งให้เ ม, เมื่อกี้นี่เอง อ, อ, เอ๋อเหรอฮะแล้วไ ป, ปานไปไม่ถึงห้าทีถามอีกนะคราวนี้หลานต้องการแก้งยา่านะอตอนนี้ไม่เคยมีเงินเลยครับยา่านะเงินไม่พอใช้เลยโหย่านี่รีบรีบเลยนะ เปิดกระเป๋านะพอเปิดกระเป๋าตกใจเฮ้ยเงินหายไปไหนเตรียมเงินให้หลานสองหมื่นตกใจนะเงินหายไปไหนยาหลานก็เลยบอกยาพึ่งให้มื่อกี้นี้แหละนะเมื่อกี้แกงยาเล่นอันนี้แล้วว่ามันไม่มีสติแม้กระทั่งเรื่องนอกตัวนะความความหลงความลืมมาเร็วมากเมื่อเมื่ออายุมากความหลงลืมนะ แเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสมองสมองคนฉลาดเนี่ยมันเริ่มเสื่อมไอ้ความลืมแบบนี้เนี่ยความหลงแบบนี้มันจะมาเร็วมากจําได้แค่ห้านาทีเท่านั้นแหละบางนี้จําได้แค่สองสมนาทีว่าให้เงินหลานไปเสร็จแล้วความลืมมันก็เข้ามาแต่อย่างพวกเราเนี่ยถึงแม่หนุ่มสาวเนี่ยนะแม้จะไม่มีความหลงลืมแบบนี้เนี่ยแต่ความหลงลืมอีกแบบนึงมันจะเกิดขึ้นอยู่ บ, บ่อย นั่งฟังอยู่ดีไปแล้วนะไอตอนที่ไปนะจิตไปเนะนะตรงนั่นเราเรียกว่าหลงลืมนะคือไม่มีสตินะหรือว่าขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะรู้ตัวสักพักเดี๋ยวไปแล้วลืมแล้วลืมไปแล้วว่ากําลังเดินลืมไปแล้วว่ากําลังสร้างจังหวะนี่คือไม่มีสตินะและมันเกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่จําเก่งนะจำโน่นจํานี่ได้นะ อย่างวัยรุ่นนี่จำโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือจำแอปต่างๆได้ว่าทำยังไงจำได้เยอะนะจำบันเกิดดารานะใครเป็นคู่จิน้นใครนี่จำได้เยอะเป็นร้อยคู่แต่ว่าไอความลืมตัวจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะรู้ตัวจะสักพักไปแล้วนะอันนั้นคือความลืมตัวอันนั้นคือความหลงลืมนะซึ่งมันก็อาจจะไม่เกิดผลเสียมากนะถากว่า เราเพียงแค่ฟังเฉยๆแล้วก็ลืมตัวแต่ว่าถ้าเร า, าเกิดขับรถขึ้นมาหรือว่าเกิดเดินลงบันไดเข้าห้องน้ำใจลอยลืมตัวเดินก้าวเท้าผิดตกบันไดหรือว่าเหยียบพลาดลื่นนะกล้มในห้องน้ำอันเนี้ย เดือดร้อนแล้วแต่ถึงแม้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบบนี้ก็คือความทุกข์นะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะคิดไปถึงอดีตเหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดนะคำต่อว่าด่าทอที่มันยังฝังใจนะของคนนั้นคนนี้วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกวิตกกังวลเกี่ยวกับพ่อแม่นะงานการ ที่ยังค้างค า, งาเส้นตายที่ใกล้มาถึงเนี่ยบางทีกําลังหลับกําลังนอนมันนอนไม่ได้นะหรือบางทีกําลังคุยกับลูกใจมันก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าขณะที่กําลังปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ถ้าว่าเรามีสติที่ไวนะมันจะรู้ตัวได้เร็วมันจะรู้ตัวได้เร็วแล้วก็ดึงจิตกลับมา สิ่งที่เรามาทำที่นี่ก็คือฝึกให้มีสติที่ไวนะรู้ทันเมื่อใจเผลอคิดไปหรือว่าเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาโดยเพพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะหลักการก็ง่ายๆนะอันนี้ครูบาอาจารย์คุณจะสอนพวกเราไปแล้วก็คือว่าให้รู้กายก่อนนะให้รู้กายก่อน กายยกมือนะก็ให้รู้ให้รู้สึกนะเมื่อใดที่ไม่รู้สึกนะั่นแสดงว่าใจลอยนะเพราะถ้าใจมันไม่ลอยใจมันจะอยู่เนื้อกำเนิด ก, กับตัวการยกมือสร้างจังหวะการสังกรมก็คือการหาอุบายให้ใจมันมาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับปัจจุบันนะขณะนี้ใจมันก็จะไม่ค่อยอยู่กับตัวอยู่ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่นะแต่บางครั้งเนี่ยขณะนี้ใจลอยนะ ให้ความรู้สึกว่ามือยกเนี่ยมาจะโผล่มาเป็นพักๆนะความสึกตัวไอ้ความรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวหรือว่าเท้ากําลังเดินเนี่ยมันเป็นเหมือนเสียงที่กระซิบหรือว่านิ้วที่นิ้วที่อ่าทักเรานะส ก, กิทเราส ก, กิทเรานี่คือส ก, กิทใจนะให้กลับมา บางคนใจรออยู่นะสักพักมันรู้สึกว่ามือกําลังเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเท้าเดินเนี่ยได้สติเลยนะอันนี้เรียกว่าความรู้สึกเนี่ยทางกายเนี่ยนะมันสะ ก, กิดใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือจะเรียกว่ามือและเท้าหรือกายเนี่ยนะมันส่งความรู้สึกมาสะ ก, กิดให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะประโยชน์ของมันมีตรงนี้นะ ในแง่หนึ่งในการยุ่งมือสร้างจังหวะเนี่ยมันเป็นการบ้านให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวให้ใจมารับรู้ว่ามือเคลื่อนไหวเท้ากําลังเดินหรือว่ากายกําลังขยับจริงให้ให้รู้เฉพาะไม่ไม่ใช่ให้รู้เฉพาะจุดนะให้รู้ทั้งตัวว่ากายกําลังเคลื่อนไหวให้การบ้านเหมือนกับว่าให้กายเนี่ยแหละมาเป็นบ้านของใจมันดึงใจให้กลับมาอยู่บ้านนะ ก็คือกายกายเป็นบ้านของใจแต่ใจมันก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านนี้เท่าไหร่นะมันก็ชอบเลยเห่เล่ล่อนเหมือนเด็กใจแตกนะแต่ขณะที่มันลอยๆไปเนี่ยมันเหม่อก็จะมีเสียงมาเรียบหรือว่ามีอะไรมาสะกิดให้กลับมาที่บ้านนี้การเคลื่อนมือการเดินนะมันคือ สัญญาณนะมันเป็นการส่งความรู้สึกมาส ก, กิดให้ใจเนี่ยนะได้สติแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะแต่พอทําไปสักพักเนี่ยนะจะรู้สึกได้ว่าไอ้ความกายเนี่ยนะมันสามารถจะส่งสัญญาณเนี่ยส่งความรู้สึกมาส ก, กิดใจเราได้นะ มันคล้ายๆกับว่าเวลาเราใจลอยนะนึกใจลอยไปกําลังมือลอยไปมีคนมาแตะที่ไหลเนี่ยมีคนมาจับมือเนี่ยนะเราได้สติเลยนะหลายคนคงเป็นบ่อยนะใจลอยกําลังรอเพื่อนใจลอยนะคิดไปเป็นคู่เป็นแควเสร็จแล้วมีเพื่อนมาตะไหล่จิตมันกลับมาเลยไอ้ตอนที่จิตกำลันกลับมาเนี่ยจิตมันจะทิ้งความคิดต่างๆที่คิดเป็นวักเป็นเวน เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่นั่นเนี่ยมันเป็นเราได้สติเพราะมีตัวช่วยก็คือเพื่อนมาแตะมมือแตะไหลแต่ว่าปฏิบัติแบบนี้เราไม่ต้องอาศัยใครเป็นตัวช่วยเราอาศัยกายของเราเนี่แหละเป็นตัวช่วยเพื่อดึงจิตกลับมานะสติที่เกิดขึ้นจากการที่ไอความรู้สึกของกายเนี่ยมันเป็นมันไปเรียกสกิจจิตให้กลับมาเนี่ยสติแบบนี้เราเรียกว่าสัมมาสตินะ ไม่ใช่สติธรรมดาที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยสัมมาสติเนี่ยนะสัมมาสตินี่มันจะประกอบไปด้วยนะอาตาปีสัมปชานโนนะเมื่อกี้เราสวนว่ามีอัตาปีนะสัมปชานโนสติมานี่ภาษาบาลีนะมันก็คืออาตาปีความเพียรเผากิเลสสัมปชัญญะสะติสัมมาสติเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะตัวสติหนึ่ง ซึ่งมีความรู้สึกตัวและความเพียร น, นะประกอบกันเข้าไปไอสติที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยใช้ในการขับรถขับรลาใช้ในการทำงานนะจำได้ว่ากระเป๋าเงินอยู่ที่ไหนกุญแจอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นสติเฉยๆแต่เมื่อกรตามที่มันมีสัมปชนนัญโญสัมปชัญญะแล้วก็มีอัตตาปีมีความเพียรเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นสมบัตสติทันที แล้วก็มันจะเป็นสติที่ใช้ระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจคือเรื่องตัวเองไม่ใช่เรื่องนอกตัวนะใความระลึกได้เนี่ยมันมีสองอย่างอย่างที่พูดนะระลึกได้สิ่งที่เป็นเรื่องนอกตัวนะรถยนต์กระเป๋าเงินกุญแจโทรศัพท์นะเพื่อนคนรักนะอะไรที่เกี่ยวกับความทรงจำและที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสติธรรมดา แต่เมื่อการที่เราระลึกได้ในเรื่องตัวเองเช่นรู้ก็คือรู้กายรู้ใจนั่นแหละนะถ้าขยายความแม่เหล็กก็คือรู้รู้สี่ประการนะกายเวทนาจิตธรรมแต่สรุปสั้นๆคือรู้กายรู้ใจสติที่ช่วยทําให้เราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจเราลูกว่าเราลึกว่าตอนนี้กําลังยกมือเราลึกว่าตอนนี้กําลังเดินนะตอนนี้กำลังกระพริบตาตอนนี้กาลังกืนทําลายเนี่ยต่อไปมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะ สติอย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าสติระลึกรู้กายหรือว่าพอใจคิดนึกไปมีอารมณ์ปุง ต, ต่างๆมันระลึกได้มันรู้ว่ากําลัง เ, ลเผลอคิดไปมันรู้ว่ากาลังจมอยู่ในความเศร้ า, า, ารความโศกความโกรธเนี่ยอันนี้คือสติร ะ, ะลึกรู้ใจซึ่งบางทีครูบาอาจารย์ก็สรุป ย, ย, ย่อๆวันเนี่ยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยไอ้ที่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ด้วยสติเห็นใจคิดนึกเนี่ยก็เห็นด้วยสติ แต่เป็นสติที่เรียกว่าสัมมาสติหรือสติปัฏฐานนะอันนี้ก็ให้เราแยกแยกให้ถูกนะแต่บางทีเราก็พูดให้พูดรวมๆไปว่าสติสติแต่ข้อจาสติที่เรากำลังฝึกเนี่ยเป็นสัมมาสตินะไม่ใช่สติธรรมดาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่ต้องใช้ในระหว่างการเรียนหนังสือหรือการทางานเล้ก็คำนี้ก็เพือนท่านี้นะกราบครบ